เป็นไงตอนนี้ทาอะไรอยู่ยังไม่ได้ทดี๋ยหาอยู่ว่าจะทอะไรดีนั่งสมาธิสินั่งอยู่ค่ ะ, ะงานดีๆไม่ทํามันชอบไปหางานไม่ดีทํางานสบายสบายไม่อสองลยแอนแยกสองไ้งานสบายสบายไม่ชอบทาเลย ทำงานที่ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินงานนี้มันทําให้อิ่มมันทำให้ไม่อยากไปไหนไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากเที่ยวไม่อยากอะไรไม่อยากกินไม่อยากดื่มไม่ไม่มีอะไรมันอิ่มใจอิ่มใจแล้วมันก็ไม่ต้องทําอะไร ทุกวั น, นีนพวกเราใจมันหิวตลอดเวลาหิวมากกว่าร่างกายร่างกายมันอิ่มใจยังหิวบังคับให้ร่างกายกินกินจนร่างกายกลายเป็นตุ่มพราใจมันหิวแต่กลับไม่ทำใจให้อิ่มกลับไปให้ร่างกายอิ่ม เวลาใจหิวมันก็ต้องทำให้ใจอิ่มเวลาร่างกายหิวก็ให้ร่างกายอิ่มร่างกายกินมาละมื้อก็อิ่มแล้วพอละใจนี่จะอิ่มได้ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วมันจะอิ่มมันจะสบายันไม่อยากได้อะไร แล้วมันก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเพราะเราจะรักเราจะหวงเราจะหวงได้ลมาปั๊บนี่เป็นของเราขึ้นมาทันทีพอเป็นของเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานานๆอยากจะให้ดีไปนานานๆแต่พอมันไม่ดีก็เสียใจ <c oughs> พอไม่ได้เป็นของเราก็เสียใจ ระหว่างเวลาที่รอให้มันไม่เป็นของเราก็กังวลเมื่อไหร่จะเป็นเมื่อไหร่เขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ตามอะไรต่างๆไม่มีอะไรเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนกับรถที่วิ่งไปเรื่อยๆมันไม่อยู่นิ่งร่างกายที่เราได้มามันก็ไม่อยู่นิ่งออกจากท้องแม่มามันก็เริ่มจะเริ่มเติบโตพอมันโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อไปมันก็เริ่มเป็นคนแก่คนชราแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปนี่คือสิ่งต่างๆที่เรา มาได้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ชอบใจเราเราก็เสียใจเล้วก็หาใหม่ขอของนี้เก่าแล้วเบื่อก็หาใหม่ถ้าเป็นของยังไม่ก็มีปัญหา ถ้าเป็นคนแล้วเบื่อไปหาใหม่ก็มีปัญหาได้เบื่อสามีเบื่อภรรยาก็ไปหาคนใหม่หาคนใหม่ถ้าเลิกกับคนเก่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่มันเลิกไม่ได้บางทีแต่ใจร้อนรอรอให้เลิกก่อนไม่ได้ก็เลยไปหาตอนที่ยังไม่เลิก ออคนเก่ารู้เรื่องเขาก็ เ, เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่คือสิ่งต่างๆในเรกนี้เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ที่พวกเราไปหาสิ่งเหล่านี้กันก็เพราะว่าเราไม่มาหาสิ่งที่ใจต้องการสิ่งที่ใจต้องการคือความสงบความอิ่มถ้าได้ความสงบใจจะอิ่ม ถ้าไม่ถ้าใจไม่มีความสงบแล้วไปหาอย่างอื่นมาสิ่งอื่นอื่นมาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองบุคคลได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจอิ่มแต่วันนี้พวกเราใจพวกเราหิวกันเราก็เลยคิดว่าต้องไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส มาเสพกันแล้วจะทำให้เราอิ่มแต่แม่ไม่อิ่มอ่ะมันก็ยังทำให้เราหิวอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอด้วยได้มาเท่านี้ก็อยากจะได้มากกว่านี้และเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาที่หาก็ลำบากกว่าจะได้มาแต่ละอย่างมันไม่ใช่เหมือนกับฝนฟ้าอากาศไม่เหมือนกับฝนที่มันตกมาจากท้องฟ้า กว่าจะได้ราบสักก้อนหนึ่งกว่าจะได้ยศสักตำแหน่งหนึ่งกว่าจะได้รับการสรรเสริญกว่าจะได้รูปเสียงกลิ่นล้นนี่ก็ต้องใช้ความพยายามแล้วบางทีก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นเพราะต้องการสิ่งเดียวกันทุกคนก็ต้องการเงินเหมือนกันตามการค้าบางทีก็ไป แก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็อาจจะไปมีเรื่องมีราวกันและอาจจะไปทําบาปทํากรรมต่อกันเนี่ยมันมาจากเหตุที่ใจของเราไม่ได้รับสิ่งที่ใจต้องการเราไม่ให้สิ่งที่ใจเราต้องการกันเพราะเราไม่รู้ว่าใจเราต้องการอะไรกันแน่ ทุกคนก็ชอบต้องการอย่างเดียวกันแล้วก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ใจต้องการพ่อแม่ก็อยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายพอลูกๆออกมาก็ทําตามพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนให้ไปหาราบยศสรรเสริญให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ หาแล้วก็ต้องมาทุก์กับสิ่งที่หาได้มาพอหาแล้วพอได้ามาแล้วก็ต้องหวงต้องหวงได้เงินมาทองมาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาไม่อยากจะให้มันหมดแล้วก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆเพราะส่วนหนึ่งหามาแล้วก็ต้องเอามาใช้ มันก็ต้องหาไปจนวันตายก็จะไม่ได้อะไรก็ต้องมีแต่หาไปเรื่อยๆแล้วก็หิวไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราหามามันไม่ได้ทําให้ใจเราอิ่มสิ่งที่ทําให้ใจเราอิ่มเราหาไม่เป็นกันเราต้องมาพบกับพระพุทธเจ้า พบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีหาสิ่งที่ทำให้ใจเราอิ่มแล้วเราก็มาเรียนมาปรึกษามาศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์สาวกเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งพระอริยสงสาวกไว้เป็นผู้สอนเราบอกวิธีทําใจของเราให้อิ่มพอใจเราอิ่มแล้วเราก็สบายเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลว่าสิ่งต่างๆที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่นี่ จะมีมันเป็นไปเมื่อไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่นี่คือพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่สอนบอกให้เราทำใจของพวกเราให้อิ่มให้พอเพราะว่าเมื่อใจเราอิ่มพอแล้วใจเราไม่ต้องพึ่งอะไร แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องพึ่งใจอิ่มแล้วนี้ใจไม่ต้องใช้ร่างกายที่พวกเราต้องใช้ร่างกา ย, ย่างเพราะว่าเราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือเราอยากจะได้เงินทองเราก็ต้องมีร่างกายอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้งกายก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆได้ เวลาคนตายนี่ไม่สามารถทำอะไรได้คนตายก็มีแต่นอนอยู่ในโรงไม่สามารถไปหาเงินทองไปหาราบย์สรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าใจมีความอิ่มมีความพอก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราเลยรักมันมาก <c oughs> กลัวมันกลัวมันกลัวมันจะจากเรากลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะตายทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เรากลับไปกลัวแทนร่างกายตัวร่างกายเองมันไม่กลัว มันไม่มันไม่กลัวตายมันไม่กลัวเจ็บตัวร่างกายมันเจ็บตัวร่างกายมันตายแต่มันไม่กลัวเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้ว่ามันมันเจ็บมันตายนั่นเองเหมือนผมเนี่ยเราโกนทิ้งไปเนี่ยผมมันไม่เดือดร้อนอะแต่ใจมันเดือดร้อนแทนใจไม่ยอมโกนผมก่อน อยากจะทดสอบว่าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ลองกนกนศรีศรษะดูไม่ตายหรอกคนผมมันจะตายตรงไหนไปหลงวนอยู่น ะ, ไ, ะได้เชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาข้างในเลยกำลังถ่ายทอดสดอย่างนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก เียนี่อยู่ที่ไหนก็ดูได้ไม่ต้องมาที่นี่มากันแค่นี้เหละสามคนก็กำลังคุยพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังกันอยู่ก็ขอพูดต่อมีอะไรไหมมีธุระอะไรไมไม่มีครับตั้งใจมาฟังธรรมะจังพูดเรื่องใจของพวกเราว่าใจของพวกเรานี่ มันหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่รู้จักวิธีทําให้มันอิ่มกันเวลาหิวเราก็ไปหาสิ่งต่างๆแต่สิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันไม่ได้ทําให้ใจเราอิ่มก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ใจเราอิ่มก็คือความสงบคือการนั่งสมาธิทาใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะอิ่ม จะพอจะไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจบูกวิ้นกายแต่เราไม่รู้วิธีทำใจให้อิ่มกันเราถูกสังคมถูกโลกความนิยมของทางโลกนี้พาไปคนในโลกทุกคนนีคิดว่าความสุขความอิ่มความพอ อยู่ที่การได้ลาบยศสรรเสริญได้สิ่งต่างๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถทําให้ใจเราอิ่มทําให้ใจเราพอได้ต่อให้เราหามาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่พอและยังจะทําให้อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากจะได้เป็นศอกได้เป็นศอกก็อยากจะได้เป็นวา คนเราจึงมีเงินกินไปสิบชาติร้อยชาติก็กินไม่หมดแต่ความอยากมันทำให้อยากได้เพราะคิว่าได้มามากๆแล้วจะมีความสุขมากๆแต่ทนั้นที่จะมีความสุขมากมามมา ก, กับจะมีความทุกข์มากเพราะมีมากก็ต้องคอยดูแลรักษามากคอยห่วงคอยห่วงมากแล้วเวลา จากกันก็ต้องเสียเสียมากก็แทนที่จะมีความสุขจากสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเรากลับมาได้ความทุกข์จากสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่รู้กันไม่มีใครรู้วิธีที่จะหาความสุขความอิ่มความพอให้กับใจของเรา จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอรหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบวิธีที่จะทำให้เรามีความอิ่มมีความพอมีความสุขตลอดเวลา วิธีที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบแล้วจะพอจะอิ่มจะสุขจะสบายจะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสงบความสงบนี้ให้แต่ความสุขเพียงเดียวไม่ให้ความทุกข์ เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่ให้ความสุขพร้อมกับให้ความทุกข์มาด้วยเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะได้อะไรมาก็จะต้องมีวันเสียไปมีวันจากกันไปเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่เวลาต้องเสียต้องจากกันก็เสียอกเสียใจขณะที่ยังไม่จากกันก็ต้องกังวลต้องห่วงใย ว่าจะต้องจากกันเมื่อไหร่นี่คือเรื่องของพวกเราที่พยายามหาความสุขกันแต่ไปหาความสุขผิดที่แทนที่จะไปหาความสุขที่ความสงบเรากลับไปหาความสุขที่ลาบยศสำลัเสริญที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันไม่ เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมันมาได้ไปได้จเจริญได้เสื่อมได้มีเกิดมีดับมีได้มีเสียเวลาได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีอกดีใจแต่พอเวลาต้องเสียราบยศสรรเสริญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็เสียอกเสียใจกัน เป็นความเสีย อ, อกเสียใจที่เราไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามาหาความสงบกันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันเพราะถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่มีความอยากได้อะไรจะไม่อยากได้ลาบยศสร ะ, ะเสริญจะไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจกับการสูญเสีย กับการพัดพาคจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลมนี่คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความอิ่มความพอท่านก็เป็นพาาระอรหันตสาวก เป็นผู้รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นความสอนที่จะพาเราไปสู่ความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าพวกเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา นี่คือเรื่องของพวกเรากับพระพุทธศาสนาเราเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้วิธีที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายวิธีที่พระเจ้าทรงสอนก็มีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าการทำทาน ขั้นที่สองเรียกว่าการรักษาศีลขั้นที่สมเรียกการว่าการภาวนานี่คือ3ามขั้นตอนที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนาได้เราก็จะทําใจของเราให้สงบ ตาใจของเราให้มีความพอแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งอะไรให้ความสุขกับเราตอนนี้พวกเรายัางต้องพึ่งลาบยศสารเสริญยังต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้ความสุขกับเราอยู่เวลาใดที่เราขาดลาบยศสารเสริญขาดรูปเสียงกลิ่นรสไป เวลานั้นเราจะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าเราเลิกพึ่งได้เวลาเราขาดมันเราจะไม่รู้สึกอะไรเปรียบเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดนี้เขาก็ต้องพึ่งยาเสพติดให้ความสุขกับเขาเวลาเขาเสพยาเสพติดเขาก็มีความสุขดีแต่เวลาที่เขาไม่มียาเสพ เขาก็จะทุกข์ทรมานเพราะเขาไปพึ่งยาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาแต่คนที่ไม่เสพ ย, ยาเสพติดก็จะไม่ทุกข์กับการที่ไม่มียาเสพติดจะเสพการที่เราจะไม่พึ่งราบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราต้องทาใจให้สงบให้ได้ การที่เราจะทําใจให้สงบเราก็ต้องภาวนาการจะภาวนาได้เราก็ต้องมีศีลก่อนศีล น, นี้จะช่วยทําให้เรามีเวลามาภาวนากันศีล น, นี้ก็คือศีลแปดเราต้องยุติกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทําให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบ เราเลยต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดศีลแปก็จะทำให้เราละเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากมหอรลศพบันเทิงต่างๆ แลเว้นการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดารเสริมความงามด้วยเครื่องสําอางทําเผาทําผมด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆเป็นการเสียเวลาถึงแม้จะเป็นความสุขก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขชั่วคราวสู้มาหาความสุขที่ถาวรดีกว่า ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเราไม่ยุติการหาความสุขทางร่างกายเราจะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจกันมาทำใจให้สงบทำใจให้อิ่มทำใจให้พอเราจึงต้องถือศีลแปกันถ้าเราอยากจะภาวนาอยากจะนั่งสมาธิอยากจะทำใจให้สงบ ถ้าเราไม่มีศีลแปดนี่เราก็จะไปทากิจกรรมอย่างอื่นกันแทนที่จะมานั่งสมาธิก็ไปนั่งดูละครนั่งดูข่าวนั่งดูอะไรต่างๆซึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจมันไม่ได้ทำให้จิตใจเราอิ่มลรวพอทำแล้วก็ดูไปแล้วบางทีก็ทําให้เกิดความ วุ่นวายใจขึ้นมาไม่ได้ทำให้ใจสงบนี่คือวิธีการหาความสุขที่แท้จริงวิธีการที่จะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วสิ่งที่เราไปดิ้นรนหานี้มันก็นอกจากให้ความสุขกับเราแล้วมันก็ยังให้ความทุกข์กับเราด้วย เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปร่างกายของเรานี้เราก็ต้องจากเขาไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปตอนนี้เราไม่อยากให้เขาจากเพราะว่าเรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่เรายังอยากจะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราจึงต้องทุกเวลาที่เราต้องสูญเสียร่างกายไปแต่ถ้าเราหาความสุขจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายต้องจากเราไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำใจให้สงบกัน ทำได้แล้วจะสบายจะไม่ทุกข์กับอะไรจะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองจะพอใช้หรือไม่พอใช้เพราะจะไม่ต้องใช้มันใช้ก็อย่างมากก็แค่เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปแล้วก็ไม่สาคัญเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องพึ่งร่างกายอยู่ดีถ้าไม่มีเงินทองเลี้ยงร่างกายร่างกายมันจะตายไปก็ไม่เดือดร้อนอีกเหมือนกัน เพราะใจไม่ต้องพึ่งร่างกายใจมีความสงบสิ่งที่ใจต้องต้องพึ่งก็คือธรรมะธรรมที่จะทำให้ใจสงบนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหากันสิ่งที่จะทำให้ใจเราสงบคืออะไรก็คือสติสตินี้จะทำให้ใจเราสงบแล้สิ่งที่สอองเราต้องการก็คือ ปัญญาพอเราได้ความสงบแล้วถ้าเราอยากจะรักษาความสงบไม่ให้หายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญามีไว้ใช้สำหรับคอยกาจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือความอยากต่างๆนี่เองเวลาเกิดความอยากนี้ใจจะกระเพิ่มขึ้นมาใจจะ ถูกกระทบกระทั่งใจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่แต่เวลาความอยากหายไปใจก็จะสบายวิธีที่จะทําให้ใจความอยากหายไปนี้ก็มีอยู่สองวิธีวิธีที่ถูกกับวิธีที่ไม่ถูกพวกเราใช้วิธีที่ไม่ถูกเวลาเราเกิดความอยากเราไม่สบายใจเราก็ไปทําตามสิ่งที่เราอยากได้ พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาความอยากได้ก็หายไปความสงบความดีใจก็เข้ามาแทนที่แต่มันมันสงบเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปคอยหาสิ่งที่เราอยากได้มาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หมดความอยากก็จะไม่หมดนี่เป็นวิธีที่หาที่ไม่ถูกต้อง วิธีที่จะกำจัดความอยากที่ถูกต้องต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจพออยากได้อะไรนี้เราก็ต้องไปหามากันไปหามาแต่ละครั้งแต่ละคราวก็เหนื่อยกันอาจะได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหรือหมดไปพอหมดไปก็ต้องหามาใหม่ เช่นเงินทองพอหามาได้ก็ใช้ไปพอใช้ไปเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องไปหามาใหม่ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆนี่คือไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องไม่ทำตามความอยากต้องทำใจให้สงบเวลาเกิดความอยากนี่ต้องทำให้ใจที่กระเพื่อมขึ้นมานี้ให้มันสงบ แล้ววีีวิธีที่จะสงบก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจสงบแต่จะทำให้ใจวุ่นวายถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วก็จะฝืนความอยากได้พอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเช่นคนอยากจะเลิกสุราเนี่ยเวลาอยากจะดื่มสุราก็อย่าไปดื่มมัน บอกว่าอย่าเดื่มเดื่มแล้วจะต้องเดื่มไปเรื่อยๆถ้าไม่ดื่มมันครั้งนี้ขราวหน้าความอยากมันจะเบาลงไปแล้วขราวต่อไปมันก็จะเบาลงไปเรื่อยทุกครั้งที่เราฝืนความอยากได้ความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปจนในที่สุดมันก็จะหายไปความอยากดื่มสุรามันก็จะหายไปเพราะถึงถ้ามันมีความอยากเราก็ไม่ดื่มอยู่ดี พอเราไม่ดื่มแล้วต่อไปมันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมอยากแล้วก็ไม่ได้ดื่มมันก็ไม่อยากอองมันไปนี่คือวิธีกำจัดความอยากที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิใจเราสงบมีความสุขพอเราออกจากสมาธิมาพอไปเห็นขนมข้าก็อยากจะกินเห็นกาแฟก็อยากจะดื่ม เห็นอะไรก็อยากจะดูอยากจะฟังพอเราไปดูไปฟังไปดื่มมันก็จะติดก็จะอยากไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สงบแล้วเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้ไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็หมุดหยิดใจลำคาญใจนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการทำตามความอยากเราต้องใช้ปัญญาพิจารณา พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็กลายเป็นความทุกข์เวลาที่ยังไม่เสียก็ต้องหวงต้องห่วงก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกันสู้อยามีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอความสงบนี้จะไม่มีความทุกข์ให้กับเรา มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอถ้าไม่มีความอยากมันทำลายความสงบแล้วมันก็จะสงบไปอย่างถาวร ใ, ใจของผู้ที่ได้กาจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบนี้ เป็นใจที่อิ่มที่พอตลอดเวลาท่านจึงไม่แสวงหาอะไรท่านไม่ต้องการอะไรท่านทำงานนี้ทำด้วยจิตใจที่เสียสละเต็มร้อยไม่เรียกผลตอบแทนเลยจากการทำงานเพราะพุทธเจ้าทำงานอยู่45ปีหลังจากที่ทรงตัดสัรุแล้วก็ใช้เวลา45ปีนี้มาสั่งสอนผู้ สั่งสอนวันละสามรอบรอบบ่ายก็สั่งสอนคารวะญาติโยมรอบค่าก็สั่งสอนพระเนนรอบดึกก็สั่งสอนเทวดาทําประโยชน์ให้กับผู้พอใจของท่านพอแล้วไม่ต้องการอะไรสงสารเห็นผู้อื่นยังหลงทางอยู่ยังไปหาความทุกข์กันอยู่ไม่รู้จักทางที่ไปสู่ความสุขกันก็เลยมาสอน ก็ทำให้ผู้ที่หลงทางนี้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได้เป็นจำนวนมากมายเป็นพระอาริยสงสาวกขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้สอง0ันกว่าปีคิดดูในแต่ละปีนี้จะมีพระอาริยสงฆ์ปรากฏขึ้นกี่รูปคูณ ด, ด้วย2500กว่าก็เป็นแสนเป็นล้านได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนนี้จะไม่มีใครรู้จัก ทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์กันยังไม่มีใครรู้ทางที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงกันก็จะเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขปลอมกันอย่างที่พวกเรากําลังหากันอยู่เราหาความสุขปลอมกันหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาสุขต้นแต่ทุกปลายกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา พวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันทุกคนเวลาได้เงินทองก็ดีอกดีใจกันคิดว่ามีความสุขกันแต่เวลาก็ต้องมากังวล ม, มาวิตกมาวุ่นวายกับเรื่องของเงินทองนี้กับมองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ต้องการไม่มีเงินทองเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินทอง กับเรื่องการดูแลรักษาเงินทองกับเรื่องของการสูญเสียเงินทองไปแต่เราหลงกันเราคิดว่าการมีเงินทองจะทําให้เรามีความสุขกันแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นความทุกข์กันท่านเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ตัดสินท่านก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็มีเงินทองระดับของ พระราชะโอรสแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้ทำให้ใจท่านสงบไม่ได้ทำให้ใจสบายใจก็ต้องวิตกกังวลต้องคอยดูแลรักษาสถานภาพรักษารษาชสมบัติท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติเพื่อไปหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขใจที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการรักษาสีมเกิดจากการภาวนาเกิดจากการสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วสติจะทําให้ใจสงบใจไม่สงบเพราะใจคิดอยู่เรื่อยๆความคิดนี้ที่ที่ทำให้ใจเราไม่สงบกันและสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติ ถ้าเราไม่มีสติถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติง่ายๆก็ให้ระลึกคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่เราระลึกอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราระลึกพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปหยุดไปพอความคิดหยุดไปใจก็จะสงบ แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาพอเรามีความสุขใจแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใจของพระเจ้าที่ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะว่าท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนกับพวกเรา พวกเราตอนนี้ยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายนี้ไปหาความสุขใหม่แต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วใจของเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเพราะเราได้ความสุขจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกาย เพาการใช้ร่างกายนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ความสุขแต่ละครั้งนี่เหนื่อยไหมต้องเดินทางกันไปที่นู่นที่นี่ถึงจะได้ความสุขกันต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นองค์ประกอบกันจะจัดงานเลี้ยงแต่ละครั้งนี้ต้องวุ่นวายกันสักกี่ชั่วโมงกว่าจะได้ความสุขประเดี๋ยวปะดาาเลี้ยงกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดไปลวแต่ก่อนจะจัดงานเลี้ยงได้นี่โอ้ยต้องไปเตรียมการอะไรต่างๆมากมาย เตรียมการเป็นเดือนเลยบางทีงานเลี้ยงแต่งงานกันทีนี่เตรียมการกันเป็นเดือนแต่พอกินจะสองกันแป๊แค่ไม่กี่ชั่วโมงจบละหมดละแล้วก็อยากจะเลี้ยงใหม่อีกละไม่ใช่ว่าเลี้ยงเสร็จเลี้ยงครั้งนี้แล้วจะพอมันไม่ใช่เลี้ยงกี่ครั้งมันก็ไม่พอมันก็อยากจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะใจเราไม่สงบใจเราไม่มีความพอค แต่ถ้าเราทําใจให้สงบในความพอแล้วมันจะไม่อยากจะจัดงานเลี้ยงมันมันไม่อยากจะวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันอยู่เฉยๆมันมีความสุขอยู่แล้วมันพออยู่แล้วทําไมต้องไปหาเรื่องวุ่นวายมาใส่ใจเราทําไมนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพยายามทํากันให้ได้สร้างสติกันขึ้นมาถ้ามีสติแล้วเราก็จะหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบใจก็จะเด่ง ใจจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้วิธีสร้างสติก็ง่ายๆให้พุทโธไปทั้งวันขอให้ขยันพุทโธหน่อยนะพุทโธไปเรื่อยๆพ อ, อตื่นขึ้นมาลืมตาปุาป๊บก็ท่องพุทโธพุทโธไปไปล้างหน้าล้างตาอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัวพุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในเรื่องการในเรื่องที่สำคัญเรื่องที่จำเป็นก็อย่าไปคิด อย่าไปคิดเพอ้อฝันอย่าไปคิดเพอ้อเจอคิดอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากไปนูน่นอยากมานี่อยา่อยาไปคิดให้มันเสียเวลาคิดพุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธไปแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะว่างใจจะเบาถ้าคิดอยากไปนู่นมานี่ก็จะหนักอกหนักใจแล้วจะต้องไปเตรียมการอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้เตรียมเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องวุ่นวายตามมาแต่ถ้าไม่คิดจะไปไหน อยู่เยๆนี่สบายที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความคิดของเราเนี่คิดอยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่พอคิดแล้วก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดโทรพูดโทไปได้ความคิดต่างๆหายไปความหงุดหงิดลาคาญใจต่างๆหายไปเราก็อยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้สบายไม่ต้องไปไหนให้เหนื่อยยา ก, กาเปล่า ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดงั้นพยายามฝึกสติกันแล้วพยายามนั่งเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันจะสงบได้เต็มที่ถ้าไม่นั่งมันจะไม่สงบเต็มที่มันสงบเพียงห้าสิบเพราะว่าร่างกายจิตยังต้องคอยประคับประคองร่างกายคอยสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่อยู่จิตเลยไม่หยุด จิตยังไม่สงบได้เต็มที่แต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบเต็มร้อยเราจะได้ความสุขเต็มร้อยพอได้ความสุขเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะได้อะไรแล้วยกเว้นเวลาออกจากสมาธิมาความอยากที่ยังมีอยู่ในใจนี้มันไม่ได้ตายไปจากการนั่งสมาธิถ้าอยากจะให้มันตายต้องใช้ปัญญา เวลามันโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าทําตามความอยากความอยากนี่นำไปสู่ความวุ่นวายใจพาไปสู่ความทุกข์ต่างๆพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็หยุดอยากพออยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มมันพอไม่ดื่มมันไม่พออยากไม่กี่ครั้งมันก็หายไปมันก็จะไม่กลับมาอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปไปแล้ววุ่นวายกลับมานั่งสมาธิ ด, ดีกว่า กลันมาทำใจให้สงบดีกว่าให้เลือกเอาระหว่างทำตามความอยากกับการทำใจให้สงบบอกเอาความสงบดีกว่าความสงบนี้ง่ายกว่าสบายกว่าการไปทำตามความอยากนี้ยุ่งยากมากกว่าวุ่นวายมากกว่าแล้วก็ไม่มีวันจบเพราะทำแล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยๆดื่มแล้วก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆนี่คือปัญญาคือต้องเห็นโทษของความอยาก เห็นว่าการกระทําตามความอยากนี่นําพาไปสู่ความวุ่นวายใจไม่ใช่นําไปสู่ความสงบความสบายใจไม่ได้นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่นําไปสู่การมีความทุกข์ต่างๆและนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปด้วยเพราะเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้อยู่ที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะฉุดใจนี้ให้กลับมาเกิดใหม่ พอยังอยากจะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องกลับมาเกิดเรื่อยๆพอกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอกันก็คือความแก่ความเจ็บความตายกันนี่คือการทําตามความอยากนําไปสู่ความทุกข์ความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่เองที่พวกเราไม่มีใครอยากจะเจอกัน แต่ก็ต้องเจอเพราะว่าเรายังอยากจะมาเกิดกันเพราะเรายังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ถ้าเราทําใจเราหาความสุขทางใจได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามานั่งสมาธิกันมารักษาศีลแปดกันมาภาวนากันทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุข แล้วก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่การไม่ได้กลับมาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เราหายไปไหนเราก็ยังมีอยู่ใจของเราไม่ได้หายไปไหนใจของเราก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพานพานพระนิพพานนี้คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่มีความสุขร้อยเอร์เซ็นและเป็นความสุขที่ถาวร สวรรค์ชั้นอ่นนี้ยังไม่ถาวรยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทกนี้ยังต้องเสื่อมยังต้องหมดไปเกิดเป็นเทพแล้วก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นเทพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะสวรรค์ชั้นต่างๆนี้มันเป็นสวรรค์ชั่วคราวไม่เหมือนสวรรค์ชั้นนิพานสวรรค์ชั้นนิพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นถาวร ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปแต่ไม่ได้หายไปไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่พระ น, นิพพานพระ้าหลานตัสาวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากล่าวไหว้บูชาเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปูวว่แหวนหลวงปูววงป่ขาวนี่ท่านก็อยู่ที่พระนิพพานกันท่านไม่ได้หายไปไหนท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราเท่านั้นเองพวกเราถ้ายังไม่ไปไม่ถึงพระนิพพานก็ここนยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำซากก็ต้องพยายามภาวนาพยายามสร้างสติกันขึ้นมาพยายามท่องพุทโธพุทโธไป เ, เติดขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปทั้งวันหาเวลามาอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าไปทำงานทำการมันพุทโธไม่ได้ต้องใช้ความคิดกับการทำงานาแต่ถ้าเรามาอยู่วัดอยู่คนเดียวอมันอยู่ในป่าวัดป่าวัดเขานี้ เราก็จะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปทั้งวันเดี๋ยวไม่นานใจเราก็สงบแล้วพอสงบแล้วเราก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วเราก็ถึงพระนิพพานไม่ยากเย็นเลยพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็ได้ถ้าตั้งใจทําจริงๆถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เจดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็เจปีรับรองได้ว่า อย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะต้องได้แ น, น่ๆเพราะมีคนที่เขาทำมาได้กันเยอะแยะอยู่แล้วหลวงปู่มั่นท่านก็ได้แล้วหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนปู่บาอาจารย์ต่างๆท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ถ้าปฏิบัติแล้วมันต้องได้เพราะมันเป็นเรื่องของเหตุของผลถ้ามีเหตุมันก็มีผลเหมือนชาวนาชาวไร่ถ้าเขาขยันปลูกปลูกข้าวปลูก ผักปลูกผลมไม้เดี๋ยวไม่กี่เดือนมันก็ได้ดอกได้ผลแต่ถ้าไม่ปลูกนั่งไปเป็นปีมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไปเป็นปีมันก็ไม่มีได้ดอกได้ผลดอกผลมันเกิดจากการปฏิบัติมรักผลนิพพานเกิดจากการเจริญสติสตินี่เป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะพาเราไปสู่สมาธิพาเราไปสู่ปัญญาพาเราไปสู่ความสุขของพระนิพพาน ไม่มีทางอื่นมีแต่ทางนี้ทางเดียวที่ให้ถือศีลแปดก็เพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติอย่างเต็มที่ให้บวชกันจะบวชแบบศีลแปดก็ได้บวชแบบศีลสองอยิบเจ็ดก็ได้จะได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไปทำงานนี้เวลาปฏิบัติมีน้อยมากวันหนึ่งอาจจะไม่มีเลยจะนั่งสมาธิก่อนนอนก็ง่วงแล้วเหนื่อยแล้วทำงานมาทั้งวัน อ่อนเพียจะ ต, ตื่นเช้าขึ้นมานั่งก็อยากจะนอนอยากจะนอนสายๆพอตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบไปทำงานก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบต้องรอวันหยุดวันที่เราหยุดทำงานแต่พอหยุดทำงานก็มีเรื่องอื่นมาดึงไปเพื่อนฝูงมาชวนไปเที่ยวไปที่นั่นที่นี่ไปงานเลี้ยงที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้มา ป, ปฏิบัติเองนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพยายามทาให้ได้ก็คือหาเวลามาปฏิบัติกัน ถ้าเราไม่หาเวลาก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติแล้วไม่พอไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลสิ่งแรกต้องหาเวลาพระพุทธเจ้าจึงกำหนดวันพระว่าอาทิตย์หนึ่งหยุดสักวันหนึ่งนะภารกิจทางโลกกิจกรรมทางโลกทางร่างกายแล้วเรามาทำกิจกรรมทางจิตใจกันมาอยู่วัดกันมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาสีกัน ถ้าเราไม่กําหนดเวลาเราจะไม่มีเวลาเนะเวลานี่ของเราจะถูกเหตุการณ์ต่างๆฉุดลากกลืนไปหมดเราต้องกําหนดเวลาขึ้นมาต่อไปนี้วันหยุดเราจะไปอยู่วัดกันไปภาวนากันไปรักษาศีลกั น, กนถ้าเราเริ่มทำแล้วพอเห็นผลมันก็จะเกิดมีมีฉันทะมีความยินดีมีความอยากจะทำมากขึ้นต่อไปก็จะเข้าวัดบ่อยขึ้น อยู่นานขึ้นแล้วอาจจะไม่กลับเลยก็ได้เพราะมันดีมันไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้ปฏิบัติธรรมลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงอย่าไปยินดีในลาบยศสรรเสริญขอให้ยินดีในธรรมเพราะยินดีในธรรมจะได้สัมผัสลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่คือคาสอนของพ่อทเจ้า พระพุทธเจ้าเสียดายปฏิบัติให้พวกเราไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้พวกเราได้ก็ยิ่งซับยิ่งดีไงพวกเราก็จะได้ไปนิพพานกันหมดแต่ท่านทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือบอกทางสอนเราให้รู้จักทางรู้จักวิธีปฏิบัติเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ก็ต้องพึ่งพุทธังทำมัง ส, ง า, งส า, งามังสวรังกรฉามิเป็นผู้นาทางเราต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วน มีพุทธทางธรรมังสังฆังสารนังกระฉามิเพื่อเราจะได้มีคนนำทางไปในทางที่ถูกถ้าไม่มีพุทธทางธรรมังสังฆังสารนังกระชามิก็จะหลงทางกันพอมีผู้นำทางแล้วก็ต้องเดินตามผู้นำทางไม่ใช่ปล่อยให้ผู้นาทางเดินไปคนเดียวเราก็ยังเดินหลงทางกันอยู่เราก็ยังเวียนอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่เราก็ต้องไปทาทานไปรักษาศีลไปภาวนากัน ถ้าเราเดินไปแล้วรับรองได้ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนเดินเร็วก็ไปถึงถึงเร็วบางคนเดินช้าก็ไปถึงช้าแต่ไม่ว่าช้าหรือเร็วพอถึงแล้วก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางได้ผลเหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ตัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้รับผลอยากที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรการฝึกสติเพื่อให้มีความสมบเนที่เป็นฝึกสมาธิฝึกที่ปัสนาเนี่ยะครับโดยการฝึกที่ปัษนาในฝึกทสติปัฏฐานสี่เนี่ย มีกายเวทนาจิตครับที่บอกว่าให้รู้สึกตัวว่ากายทำอะไรเนี่ยมีเวทนามีความรู้สึกอะไรติตอามณอะไรเห็นการเกิดดับเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าอย่างกายเนี่ยให้รู้สึกตัวว่ากายหมายความว่าเราต้องดูอยู่ตลอดเวลามือไม้ขยับหรืออะไรนี้หรือว่าคือวิธีสร้างสตินี่มันมีหลายวิธีได้กัน จะใช้พุโทโธก็เป็นวิธีหนึ่งจะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือให้เราใจเรามีงานทาเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนานนี่คือเป้าหมายของการสร้างสติเบื้องต้นอันนี้ข่านท่านแรกของการปฏิบัติเดี๋ยวเราต้องการสร้างสติคือไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ พราถ้าใจลอยแล้วมันจะไม่มีกำลังมันจะไม่มีความสงบมันจะไม่มีความสุขเอาวิธีใดวิธีหนึ่งก็ไ ด, ได้ความจริงมีสี่สิบวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบในสติปัฏฐานท่านก็สอนวิธีใช้ร่างกายเป็นที่ตั้นของสติเรา อ, อ, อาบบเฝ้าดูตลอดเวลา้วเ้ดเลาเ้าเเเดนะูตลอดเวลาเ้ลอเว่เาดูา่เปาล้วแต่เาตวเ้าเวา่าเตออ่ปว่าอดเ่ชอบเอูว้ว่า เรามีสติมากน้อยถ้ามีน้อยมันจะเครียดเพราะมันมันยากเพราะใจเราชอบคิดนูน่นคิดนี่พอดึงมันมาให้อยู่กับร่างกายมันก็จะเหมือนชักกระเยอะกันมันก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาถ้ายังไม่มีกำลังจะดูร่างกายก็ใช้พุทธโธไปก่อนจะง่ายกว่าทั้งพุทธโธมันจะง่ายกว่าครูบาอาจารย์ท่านถึงมักจะใช้สอนให้บริกรรมพุทธโธพุทโธนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติการใช้พุทธโธเป็นที่ตั้งของสติ ถ้าเราใช้ร่างกายท่านก็เรียกว่กากายกตตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นเป็นที่สร้างสติขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่มีสติในตัวเราเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องสร้าง ม, มันขึ้นมาถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้พุทธโธไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะว่ามีสติก็คือใจเรานิ่งใจเราไม่ลอยไปลอยมาเราหยุดใจได้เรามีเบรกแล้วถ้าเราหยุดความคิดได้นีเราก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ แต่ตอนนี้เราหยุดความคิดของเราไม่ได้ใจเราชอบคิดเลื่อยเปยื่อยคิดไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็เลยไม่มีความสงบเราต้องการให้มันไม่คิดและสิ่งที่ทาให้มันไม่คิดก็คือสติถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างความสร้างสติขึ้นมาก็มีสี่สิบวิธีที่เรียกวกรรมฐ า, านสี่สิบแต่เราเอาวิธีเดียวเลือกวิธีไหนก็ได้ในขณะเดียวกัน แต่เราอาจจะเปลี่ยนได้แล้วแต่กรณีเช่นเราเดินเราทำมาเราทำอะไรต่างๆนานานะเราก็ท่องพุโทโธไป<ม>ก็เรียกว่าก็มีพุโทโธเป็นที่สร้างสติหรือถ้าเราดูการทำงานของเราได้ก็ใช้ได้ถ้าเรามีความระมัดระวังกาลังทำงานอะไรเราก็จดจ่ออยู่งานที่เราทำนี้ก็มีสติแล้วคือให้นิสุดตัวอยู่ตลอดเวลาให้ฝ้าดู อ่ใช่ไม่ให้มันไปเลาะเกิดอารมณ์หมกหิตโมโหอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ไม่ไม่ไม่อย่าไปสนใจถ้าไปเราไม่มีกําลังที่จะไปกําจัดมันเราอยู่กับพุทโธไปแล้วพุทโธมันจะทําให้อารมณ์หายไปที่มันอารมณ์เกิดขึ้นมาอ่ที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะเราเผลอเราไม่ได้ภาวนาพอเราไม่ไปภาวนาเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเราต้องกลับมาหาตัวสติทันที กลับมาพุโทโธแล้วกลับมาหาการเฝ้าดูร่างกายทันทีแล้วอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราจะไปดูอารมณ์เดี๋ยวมันก็ยิ่งเกิดฟุ่งขึ้นมาใหญ่อารมณ์อย่าเพิ่งไปดูช่วงนี้เราไม่มีกําลังที่จะไปหยุดมันได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วพอมีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บเราก็หยุดมันได้ทันทีถ้าเราหยุดไม่ได้อย่าไปดูให้มาสร้างสติก่อนดูพุโทโธใช้พุโทโธไปก่อน แล้วมันจะทำให้อารมณ์ต่างๆหายไปอันนี้เป็นขั้นตอนแรกต้องมีสติก่อนเมื่อมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นสมาธิพอจิตรวมก็จะมีความสุขจะมีความอิ่มความพอมก็จะมีมีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาละขั้นต่อไปพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ไปเจริญขั้นปัญญา ปัญญาที่เราจะต้องเจริญก็มีอยู่4ี่จุดด้วยกันคือร่างกายเวทนากับจิตเพราะร่างกายเราเป็นปัญหาเวทนาเป็นปัญหาจิตก็เป็นปัญหาอยู่ร่างกายเป็นปัญหาอะไรเราทุกข์กับร่างกายใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาเพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไร <c oughs> เมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วเราก็จะหายทุกข์ตอนนี้เราหลงไปกับ ร่างกายเพราะว่าเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วพอเราคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ถ้าเราพิจารณาความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครนะมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแล้วถ้าไปอยากให้มันไม่แก่มันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากยอมรับความจริงท่าน ทำใจให้เฉยๆอยู่กับมันไปมันก็จะไม่ทุกข์มันแก่ก็อยู่กับมันไปมันเจ็บก็อยู่กับมันไปมันตายก็อยู่กับมันไปปล่อยมันไปตามเรื่องของมันคือพิจารณาเพื่อปล่อยวางให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปยึดติดกับมันมันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราจะอยู่กับความสงบเราจะไม่หวั่นไหวเวลาเกิดเวลาที่เราต้องพัดพากจากร่างกายไป อันนี้ก็คือการพิจารณาทางปัญญาแล้วเนี่ยสติปัฏฐานนี่มันมีอยู่สองสองตอนตอนแรกให้สร้างสติก่อนเมื่อสร้างสติเสร็จแล้วก็ให้มาสร้างปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์ที่เราไปทุกข์กับร่างกายแล้วก็ดับความทุกข์ที่เราไปทุกข์กับเวทนาเวทนาก็คือความเจ็บปวดของร่างกายนี่ เ, เวลาร่างกายเจ็บปวดเรารู้สึกไงทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันเจ็บหรอก ทุกเพราเราอยากให้มันหายไอ้ตัวนี้ทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เวทนาะความเจ็บหายไปไอ้ตัวนี้รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายถ้าเราสามารถหยุดความทุกข์ที่อยากจะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้เนี่ยความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเราจะเห็นเลยว่าความเจ็บของร่างกายกับความเจ็บของใจนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน เอาความเจ็บทางใจคือความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปร่างกายนี้มันจะไม่รู้สึกเป็นปัญหากับใจอยู่ก็มันได้อย่างสบายนี่ก็คือวิธีใช้ปัญญาเพื่อที่จะปล่อยวางเวทนาต้องมองเห็นว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เราไปกำหนดควบคุมบังคับไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้ามันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันหาย หรือไม่อยากให้มันเกิดมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละที่ตัวที่ทําให้เราทนไม่ไหวไม่ใช่ตัวความเจ็บของร่างกายความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาของพระเจ้าว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นไหมในอริยสัจสี่ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วถ้าเราต้องการให้ดับความทุกนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเวทนานี้เป็นใตรักเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเจ็บมันจะไม่มันไม่จะมันจะไม่มีความทุกข์ใจเมื่อไม่มีความทุกข์ใจมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย นี่คือพิจารณาแล้วใจก็จะปล่อยวางความอยากอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปพอปล่อยวางจิตก็สงบจิตสงบเป็นสมาธิก็จะเป็นอุเบกขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายนี่คือขั้นปัญญากายเวทนาแล้วก็จิตขั้นต่อไปก็เข้าไปที่จิตแตัวในจิตก็มีอารมณ์ต่างๆที่เราต้องพิจารณาเหมือนกับเวทนาว่ามันก็เป็นตายลักอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อารมณ์ดีก็อย่าไปอยากให้มันอารมณ์ดีไปนานๆอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายไปมันจะหายไม่หายมันจะอยู่ไม่อยู่ก็รู้ไปทําใจเฉยๆแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาแล้วมันก็จะปล่อยวางได้หมดปล่อยวางร่างกายเวทนาจิตแล้วมันก็จะหลุดพ้นปัญหามันมีอยู่สามจุดอยู่ที่กายเวทนาจิตแต่ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาได้เราจะต้องมีเครื่องมือก่อนเครื่องมือที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือสติสมาธิ มีสติเพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วใจจะมีพลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาไม่มีกำลังที่จะปล่อยวางเพราะพอเจบ็บพอเจอเจ็บปั๊บมันจะกลัวสุดขีดอยากสุดขีดอยากให้มันหายไม่มีสติสตังที่จะม า, มาวิจัยมาวิเคราะห์มาปล่อยวางยังต้องทำตามขั้นตอนขั้นตอนแรกสร้างสติขึ้นมาก่อน วิธีสร้างสติมีสี่วิธีเรียกว่ากรรมฐาน40สวิธีง่ายที่สุดก็พุทโธแล้วพอได้สติแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้รวมเป็นสัปปนาสมาธิจิตรวมนานๆานเรียกว่าอปปนาสมาธิพยายามไม่รวมนานๆรวมบ่อยๆแล้วจิตจะมีกําลังมีอุเบกขาที่จะเวลาเจอความเจ็บเจอความตายจะสามารถทําใจให้เฉยได้ทําใจให้ปล่อยวางได้ ถ้ามีปัญญาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้ไปเจ็บไปกับมันพอเราปล่อยแล้วเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายเราจะไม่ทุกข์กับเวทนาเราจะไม่ทุกข์กับจิตไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราแล้วจิตของเราก็จะเย็นจะสบายไปตลอดรู้ทันรู้ทัน สิ่งต่างๆที่จิตมาสัมผัสรับรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทั้งหมดนะไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่กับมันได้ทุกอย่างเหมือนกับเราอยู่กับสภาพอาขอนฝนฟ้าอากาศได้ใช่หไหมฝนตกเราก็อยู่ได้แดดออกเราก็อยู่ได้ร้อนเราก็อยู่ได้หนาวเราก็อยู่ได้เพราะเรารู้ว่าเราไปทําอะไรมันไม่ได้เราก็เลยต้องอยู่กับมันพอเราอยู่กับมันแล้วก็ไม่เดือดร้อนแต่พ อ, อไหนที่เราคิดว่าเราทําอะไรได้เราก็อยากจะไปทํา พอทำแล้วเวลาทําไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาตอนนี้เราคิดว่าเราทําอะไรกับร่างกายเราได้สั่งให้มันทํานูน่นทํานี่ได้ทําอย่างงู่นทํานี้ได้แต่เดี๋ยวมันเวลามันเจ็บมันเราสั่งมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเวลามันตายแล้วก็สั่งมันไม่ได้แล้วเดี๋ยถ่ายทอดสดเลยถ่ายทอดไปไปที่ไหนเฟซบุ๊กเฟเนี่ย เปิดไม่เป็นง่ายนิดเดียวสมัยนี้เด็กยังเล่นได้เลยโอ้เอ้เอาล้านมาสอนก็ได้เด็กข้ากดนี้มันเล่นได้มันง่ายยะตาไปกดปุ่มหนึ่งแล้วใส่ชื่อเข้าไป มีนางวิสาขาชื่อวิสาขาเป็นเพราะว่านางวิสาขาเกิวิสาขาไม่ชื่อวิสาขาเกิดตอนหกโมงเย็นนะฟัวปะกำลังเขากําลังเรียนเทียนก็เลยจริงแล้วเคยมีซินแสเขาบอกต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าไปชื่อเหมือนนางวิสาขาใช่ไหมคะเนวกันดี ก็ออกชื่อมาให้เลือกแล้วก็คิดไปคิดมาเราคิดไปคิดมาไอ้ก็เราเกิดวันนี้จริงๆอ่ะจะไปเปลี่ยนทําไมไม่เสียหายตรงไหนแล้วก็เอาวิสาขาวิสาขาดีสิจะได้ทําให้เราเกิดวันวิสาขาเกิดตอนหกโมงเย็นเหตวียนทีงั้นคือปู่ก็เลยให้ตั้งชื่อแต่ว่าเคยมีสินแสแล้วเขาก็บอกให้เปลี่ยนเพราะว่าเป็นเหมือนนามสกุลเขาแต่ละ เราก็จะเปลี่ยนดีไม่ดีแต่เราก็เกิดวันนี้จริงๆเนี่ยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็ทำท่ได้จากหาตั้งแม่ตั้งให้ปูา่ปาตายายตั้งให้ <c oughs> เป็นมงกลอย่างยิ่งแล้วไปเปลี่ยนมามันก็เป็น เ, นเนพียงแค่ชื่อเท่านะั้นเองมันบางทีมีเพื่อนบางคนนะเขาไปเปลี่ยนชื่อนะเขาไปชื่อนะเปลี่ยนชื่อนากำจามไม่ขันทำ แล้วก็มีคนเชื่ออย่างนี้จริงนะใช่ใช่เพราะเขาไม่รู้ไงเขาหลงเขาหลง <freely> เขาไม่รู้ว่ามงคลที่แท้จริงอยู่ที่ไหน <Bio> มงคลที่แท้จริงอยู่ที่การกระทําของเรา <Bio> อยู่ที่ความคิดการพูดการกระทําของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีมันเป็นมงคลตลอดเวลาแต่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อให้ชื่อเป็นมงคลขนาดไหนมันก็ไม่เป็นมงคลหลวงตาท่านเคยพูดว่าในบุญในดีนี่อยู่ในคุกกระรางเยอะแยะไป ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนเรามันอยู่ที่การกระทํำเพราะเจ้าสอนให้เชื่อกำกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่จําแนกแยกสัตว์ให้เป็นสูงเป็นต่ําให้เป็นดีเป็นชั่วถ้าทําดีมันก็จะเป็นสัตว์ดีเป็นเป็นสัตว์ที่สูงถ้าทําชั่วมันก็จะเป็นสัตว์ที่ต่ำคำว่าสัตว์นี่ไม่ได้หมายคำว่าเดรัจฉานคำว่าสัตว์นี่ก็คือสิ่งที่มีชีวิต คือมนุษย์เทวดาสัตว์ทุกทางที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เราเรียกว่าสัตว์หมดแต่เดรัจฉานเราจะเรียกว่าเดรัจฉานแต่เราภาษาไทยเราจะมกักจะใช้คําสัตว์มาแทนคําเดรัจฉานกันพอพูดพอพระพูดคําว่าสัตว์ก็เลยเหาถูกถูกพรนะด่ารับแต่คําว่าสัตว์นี่ก็หมายถึงจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนี่คือสัตว์ที่เป็นว่ายตายเกิดสัตว์โลกนั่นเรียกว่าสัตว์โลกอาจารย์ครับขออนุญาตตัดเข้าช่วงสองครับอาจารย์ได้มีคําถามเข้ามายังมีบ้างครับพาอาจารย์เขอตัดช่วงสองครับยงดีไหมภาพดีไหมจากที่ไหนเอาเขียนข้อความส่งมาปุ๊บปั๊บเลย สมัยนี้เทคโนโลยีนี่ทันสมัยมากง่ายไดย้สะดวกเมื่อก่อนจะถ่ายทอดสดทีนี้ต้องเอารถมบายมาเมื่อสี่ห้าปีก่อนมีคนทำรายการทีวีเขาจะมาขอมาขอสัมภาษณ์อัดเทปเราต้องเอารถมบายมาเอาเครื่องขยายเครื่องเครื่องปั่นไฟฟ้าเครื่องอะไรมาโอ้โหวุ่นวายไปหมดในสมัยนี้มีมือถือมี iPhone เครื่องเดียวพอลนะค่าใช้ใจ่ายก็ถูก ค่าอินเทอร์เน็ตแค่วันละสามสิบเก้าบาทก็ยังมีคนมาอยู่เยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะวันธรรมดานี่ก็มีแบบนี้ก็คนที่ไม่ต้องไปทำงานเขาก็มากันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึ่งทานมาจึงวัดบวรอะจะมาบวชที่วัดบวร ได้หนึ่งแปดออกมาละสิบแปด้ผมมบวให้ผมบวชปีหน <|ja|> bueno> okay ึ่งเ็ดรึ่งแปดน่าจะหนึ่งเจ็ก่อนอาตมาสมเด็จพยานอ่าสมเด็จตอนนั้นเป็นอ่สมเด็จพยานสังวรออนึ่ผมมาจะบวดก่อนท่านอปีหนึ่งปีบวชพรราบวชาอาท่านมาไกลเยอเลยอาตมาก่อนอาจารย์ใช่ไหมที่เคอดอน่าจ บวชก่อนปีอาจารย์ก่อนบวชนอาจารย์ไปอยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่หรออยู่บ้านคนเดียวอยู่ปีนึงเพ่าอ่านปท่านบวชแล้วไม่สึกเลยฮะก็ยังไม่ได้สึกก็บวชอยู่ที่วัดบอรได้หกหกอาทิตย์ประมาณเดือนครึ่งก็ขออนุญาตสมเด็จไปอยู่กับห้วงตามหาบัวครัชก็ไปอยู่กับน้วงตาประมาณเก้าพันษา เกันเก้าพรรษาแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ต่ออยู่ที่พัทยาอยู่พรรษาหนึ่งบ้านอยู่พัทยาอันนั้นแวะอยู่ที่พัทยาพอดีพ่อไม่สบาย<ม>ก็เลยไปอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วพอพอเสียแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่ต่อ<ม>ก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองเจ็ดก็มีห้าเก้าก็สามสิบสองปีแล้วอยู่ที่นี่สามสิบสองปี ในเมื่อสมัยก่อนผมเคยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วจําได้ว่ามีกุฏิเล็กๆๆๆน่าจะคล้ายๆหน้าหลวงพ่อเนี่ยผมเคยก็ไปกราบไม่ทราบใครนะสมัยสยิบกว่าปีเนี่ยเป็นยงังเล็กๆกุฏิของพระชายทางนู้นนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแมหมดเลยวันนี้ทางบ้านแจ้งมาว่าอาเสียงภาพสมบูรณ์แบบที่สุดนั้งแต่ดูมาเลยครับอาจารย์ตั้งแต่ที่สอนมาต<า>อนนี้เขา้าเข้าที่เข้าทางแล้ว รู้เรื่องของปัญหาต่างๆคืนให้อนนี้ก็มีลูกศิษย์ทางานที่บริษัทดีแทกเาก็เลยส่งช่างมาปรับสัญญาเอาเอาของเบาๆมาก็แล้วกันนะของหนักของใหญ่ๆก็วางไว้ตรงน้นัตน้นเลยครับพวกมานที่ใหญ่เไม่ต้องมือไม่ต้องหรอของเบาๆาเบาๆแล้วกันครับได้ครับ ได้ครับของอะไรหนักๆวางตรงได้หรอเปาวันนะหรือว่าได้ถวายของของของฉันไม่ได้ของฉันไม่นางถวายฉันไม่ต้องนะครับเออได้ไม่ทานตวันได้านหรอวัดเอิญมีนะอ๋อฉันได้เพียงแต่ว่าอไม่ทานตาวันไม่เป็นไรบางอย่างมันมีอายุเจดวันไงถ้ารับแล้วต้องฉันได้มันเหมือนพันในเจ็ดวันแต่ไม่ทานตวันนี่ไม่เป็นไรมั้งไม่มีอายุไม่มีอายุ อ่าดีอาไปปฏิบัตินะอ่าขอให้มีความสุขความเจริญความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการนะก็ต่อไเป็นนี้ก็จะมีถามตอบปัญหาที่ทางบ้านก็ถามมาถ้าใครอยากจะนั่งฟังก็เชิญนะแต่ถ้าอยากจะกลับก็ไม่ได้ห้ามเออเอาเลย ใครอยากใครต้องไปก็ไปใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณธานาลีนะครับ <c oughs> เคยนั่งสมาธิเห็นตัวเองเป็นมะเร็งมดลูกภายในเน่าแดงเป็นเลือดขณะนั่งสมาธิอยู่ก็ตกใจจิตก็นึกถามว่าเป็นเพราะอะไร ก็เกิดภาพตัวเองในวัยเด็กยืนเอาเทียนลนไฟที่มดกำลังเดินขึ้นตามกำแพงบ้านลนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนในจิตก็ถามว่ากรรมอันนี้หรือที่ทำให้เราเป็นมะเร็มเงมดลูกจะถามพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะตามที่เห็นคือการเห็นนี่มันมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอามาใช้ เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้เรารับกับเหตุการณ์นี้สมมติว่าเราต่อไปจะต้องเป็นมะเร็งแบบนี้ถ้าเราเห็นภาพนี้ก่อนเราจะได้มาฝึกทําใจยอมรับมันถ้าเรายอมรับมันได้ไม่ไปต่อต้านไม่ไปถืนเวลาเกิดขึ้นใจของเราก็จะสงบจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไอ้เรื่องอดีตว่ามันเกิดมาจากอะไรนี่มันไม่สําคัญ สำคัญว่าเมื่อมันเกิดแล้วเราทาใจได้หรือไม่ได้เรารับมันได้หรือไม่ได้เราทุกหรือไม่ทุกกับมันอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อสอบของพวกเราความเจ็บนี้เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่เราต้องสอบให้ผ่านถ้าเราผ่านแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายฉะนั้นการเห็นอะไรนี้เห็นเพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็น การทยากรว่าอันเนี้ต่อไปร่างกายของเราจะต้องเป็นโรคอย่างนี้แหละตอนนี้คุณทำใจได้หรือยังถ้ายัางทำใจไม่ได้ก็รีบทำใจเส้อถ้าทำใจไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งก็คือเพราะใจไม่สงบพอก็พยายามฝึกทำสมาธิให้มากๆเพราะใจสงบแล้วจะรับกับความจริงของร่างกายได้คำถามข้อต่อไปจากคุณดีเวศนะครับผมนั่งดูลมหายใจกาหนดจิต ภาวนาว่าเกิดดับตามลมหายใจเข้าออกเพราะมีความเข้าใจความหมายถ้าภาวนาพุทโธเหมือนจิตจะท่องไว้ครับแล้วก็ฟุ้งออกนอกไปเรื่อยๆครับแต่ใจก็ยังท่องอยู่แต่ภาวนาเกิดกับสักพักพอจิตเริ่มจําจังหวะได้ก็ฟุ้งไปอีกครับใจหนึ่งก็ท่องใจหนึ่งก็ฟุง้งก็พยายามมาลึกรู้นะครับว่าฟุ้งแล้วพยายามกลับมาภาวนาเหมือนเดิม บางทีก็คิดว่าฟุ้งเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนลมหายใจทีนี้จิตเลยคิดไปเรื่อยเลยต้องเพ่งถึงกลับมาได้เป็นอยู่อย่างนี้ครับดึงกลับมาแล้วก็ฟุ้งออกไปตลอด20นาทีที่นั่งผมนั่งสมาธิตอนตื่นนอนกลับก่อนนอนครั้งละ20นาทีทำมาสองปีเต็มครับไม่เว้นสักวันรักษาสี่้าตลอดครับแต่ไม่คืบหน้าเลยเลยสงสัยครับว่าเขาสงบการอย่างไร ผมปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับไม่ควรที่จะไปตามรู้อะไรต่างๆคนที่ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นอย่าไปดูเกิดดับเกิดดับอะไรบ้าบอคอแตกตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะดูอันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของสมถานนี้ต้องการใจให้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวปัญหาอะไรเป็นตัวเพ่งแล้วก็เพ่งมันไป ใช้พุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตบางทงจะสงบได้ถ้าไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดดับเกิดดับมันก็คิดปรุงแต่งไปร้อยแปดตามมันไปมันก็จะไม่มีวันสงบวิธีจะสงบต้องไม่คิดแล้ววิธีที่ไม่คิดก็ต้องอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปคาถามข้อต่อไปจากคุณชิชนกนะครับ ถ้าต้องทำงานกับหัวหน้าที่มีสภาวะอารมณ์ไม่ปกติชอบด่าววยวายไม่มีเหตุผลเราควรใช้หลักธรรมข้อไหนมาอบรมจิตใจตัวเองให้สามารถทำงานกับบุคคลแบบนี้ได้คะก็ใช้สัพเพธรรมนาตาคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เ<อ>ขาเป็นอะไรของเขาอย่างนั้นก็ตอก้องปล่อยก็เป็นไป เราเจอสุนัขเราก็ไม่ไม่ได้ไปอยากให้มันไปนเป็นแมวใช่ไหม mm. เราไปเจอวัวก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นควายเราถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะอยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราเจอเขาเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเครียด ข, ขึ้นมา ท, ทันทีอย่งนั้เขาเป็นคนแบบนี้ก็ให้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้อย่าไปเปลี่ยนเขาเหมือนเขาเป็นส้มอย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยอย่างเงี้ยก็เป็นส้มก็อยู่กับส้มไป เขาเป็นกล้วยก็อยู่กับกล้วยไปไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นพอก็ไม่เป็นก็เครียดหรือไม่ชอบเขาไม่อยากจะอยู่กับเขาก็อยู่ไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราที่เราไปยุ่งกับเขาเองที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้งั้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอะไรเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไป เมื่อเราต้องทํางานเขาเราก็ทําไปมีมีแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาเรื่องงานเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนิสัยใจคอเ<ม>ขาเขาจะเป็นยังไงเรารู้ทันแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวล็อเวลาเขาแสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็จะได้ไม่ไม่ผิดหวัง<ม>เราจะรู้ว่าอ่อมามันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าถ้ามีทางเลือกก็ไม่ต้องทํางานด้วยกันก็ก็แยกทางกันไป ถ้าอยู่แล้วมันทุกข์อยู่ด้วยกันทำไมก็แยกทางกันดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวเราจะไม่มีความทุกข์กับใครถ้าอยู่กับใครมันก็ต้องมีความทุกข์ทั้งนั้น่ะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกแบบไหนถ้าเขาดีก็ทุกข์แบบหนึ่งเขาไม่ดีก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งทุกข์ดีก็หวงเขาพอเขาจากเราไปก็เสียใจพอเจอไม่ดีก็ทุกข์กับที่เจอเขาก็อยากจะให้เขาหายไปอยากให้เขาไป พอเขาไม่ไปก็ทุกข์อีกงั้นต้องทําใจถ้าทําใจได้แล้วมันจะไม่ทุกข์กับไม่ว่าจะอยู่กับใครวิธีทําใจก็ใช้ปัญญานี่แหละศับไปทํามานาจารคือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวของเงินทองเขาเขาเป็นเนขาเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศทําไมเราอยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ ฝนตกแดดออกให้เราไม่วุ่นวายใจ yeah. ก็คิดว่าคนที่เราอยู่ด้วยเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศก็แล้วกันเขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องอยู่เขาไปก็อยู่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขา <Yeah. S 2> ปัญหาอยู่ที่เรา <Yeah. S 2> อยู่ที่ใจของเรา <Yeah. S 2> ไปจู้จี้จุกจิกเอง <Yeah. S 2> คำถามข้อต่อไปจากคุณอุ้มนะครับลูกพิจารณากายจนกายแตกสลายกลายเป็นแสงและบางครั้งเผากายให้สลายไม่เหลืออะไรเลยนอกจากจิต ด, ดวงเดียว หลังจากนั้นกิจะกลับมาดูลมหายใจจะสลับกับการพิจารณากายไปเรื่อยๆต้องทําอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์คือทำแล้วก็นั่งมาพิสูจน์ว่าเราทําลายกายได้จริงหรือเปล่าเอากายไปอยู่ใกล้เสือดูเชื่อมันจะเป็นยังไงปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าที่ทําลายกายในขณะที่นั่งสมาธินี่เป็นเหมือนการให้ทําการบ้านให้ซ้อมไว้ก่อนแล้วมาต่อไปนี้เราต้องเผาร่างกายนี้เวลาตายนี่ก็จะต้องเอาเข้า เข้าไปเตาเตาเผาแล้วออกมากลายเป็นขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกเรารับกับความจริงอันนี้ได้หรือเปล่ารับกับความตายได้หรือเปล่าถ้ายัางรับไม่ได้ก็แสดงว่าดูไปก็ไม่ไ ม, ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูไปเพื่อให้มันสอนใจให้รับว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องสลายไปกลับคืนสู่ดินน้ำมลมไฟไป ถ้าใจเรารับได้ใจเราเย็นไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราก็พ้นทุกข์จากเรื่องของความตายไปถ้าเรายังทุก์กับความตายของร่างกายอยู่ก็แสดงว่าดูไปก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรดูเพื่อให้ามาสอนใจเพื่อมาให้ใจปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้วจะไม่ทุกข์ใจคำถามจากคุณนานะครับหากว่ามีรางสังขอนแม่นยำ เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ชัดเจนเหมือนดูทีวีเป็นบางครั้งเจ้าคะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเอามาใช้ใช่ไหมเจ้าคะและสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรออสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือความตายของเรานี่แหละทำไมเราไม่มองกันอนาคตของมนุษย์เรานี่ตายกันทุกคนเอาอตัวนี้แหละมาดูบ่อยๆเเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตายกัน ถ้าเราตายไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนตอนนี้เราตายไม่เป en ็นเพราะเราตายแบบยึดเราไม่ตายแบบปล่อยถ้าเราถ้าเราปล่อยไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาเราตายที่ให้เราเห็นความตายบ่อยๆนี่ก็เพื่อที่เราจะได้มาฝึกปล่อยร่างกายก็เราก็เปรียบเทียบดูสิคนที่เราปล่อยเราไม่ไปยึดเขาเป็นยังไงเวลาเขาตายเราเดือดร้อนไหอเราก็มองร่างกายนี้ให้เป็นเหมือนกับคนที่เราปล่อยสิมันก็เหมือนกัน มีอาการสาสิบสองเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยทําไมปล่อยคนนั่นได้ทําไมปล่อยคนนี้ไม่ได้ถ้าถ้าปล่อยได้ก็สบายถ้าปล่อยไม่ได้ก็ทุกข์ก็ต้องถามตัวเองว่าอยากจะทุกข์หรืออยากจะสบายมันก็จะได้คําตอบก็อยากจะสบายถ้าอยากสบายก็ต้องปล่อยปล่อยร่างกายนี้เหมือนกับเราปล่อยร่างกายของคนอื่นก็เป็นก็เท่านั้นเอง ว่าเราคิดเปรียบเทียบใช้เหตุใช่ผลแล้วเดี๋ยวมักก็ปล่อยได้คำถามจากคุณธนวัฒน์นะครับในขณะที่เราแนะนำคนอื่นให้สวดมนต์ภาวนาบางท่านกับบอกว่ามันอยู่ที่ใจยังจกไม่สวดตอนนี้เป็นเพราะอะไรครับเขาถึงตอบอย่างนั้นเขาเป็นคนที่คุมสติตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าหลุดคือหลุดเลยถ้าดีก็ดีเกินไม่อยู่บนความพอดี คือเรื่องการสอนคนอื่นนี่เราต้องดูว่าเขารับคำสอนเราได้หรือไม่ถ้ารับไม่ได้ก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาเหมือนุงตาบอกว่าเทน้าใส่หลังสุนักเนี่ยเทไปมันก็สลัดทท่งหมดเพราะสุนักมันไม่ชอบน้าคนบางคนก็ไม่ชอบธรรมะก็อย่าไปสอนเขาถ้าเขาไม่รับก็อย่าไปสอนเขาก็มีเท่านั้นปัญหาอยู่ที่เรานั่นแหละอยากไปสอนเขา เขาไม่รับเพราะมาวุ่นวายใจ เ, เขาไม่ได้ขอร้องให้เราไปสอนนันหน่อยถ้าอยากจะพูดคำํำแรงๆก็เดี๋ยวหาว่าพูดคําหยาบป ร, ระมาณอยากไปเสีอใจไหมก็คําถามก็ต่อไปจากคุณหมูนะครับลูกขอสอบถามนะคะเมื่อลูกนั่งสมาธิแล้วลูกมีความรู้สึกว่ามีความสงบเกิดขึ้น แต่เป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวก็มีความคิดผุดขึ้นมาลูกก็จะพุทโธเมื่อเห็นความคิดจิตก็กลับไปสงบอีกครั้งเป็นแบบนี้เกือบสิบครั้งในการนั่งสมาธินี้ลูกคิดว่าสติลูกยังมีไม่มากพอลูกต้องเพิ่มสติในระหว่างนั้นลูกคิดแบบนี้ลูกคิดถูกหรือเปล่าคะไม่ควรหยุดพุทโธควรพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะวิบลงไปแล้วก็สงบนิ่งแล้วมันก็จะหยุดไปเองถ้ายังไม่สงบนิ่งอย่าเพิ่งอย่าไปหยุดพุทโธ พอเราหยุดพุดโทโธปความคิดมันก็จะมาแทนที่นั่นต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปคาดว่าเมื่อไหร่จะส ง, งบสักทีเมื่อไหร่จะวูบสักทีอันนี้ก็เป็นความคิดขึ้นมาแล้ไม่ได้พุโทโธแล้ะอย่าไปคิดอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับพุโทโธไม่รู้ไม่ชี้เหมือนคนเดินคนหลับตาเดินไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลุมเจอบ่อเน้่ยมันตกลงไปเองอตาไปคาดแล้วมันไม่กล้าเดินใช่ไหมกลัก ว, วจะตกกลัวจะไปชนนู่นชนนี่ ไม่ต้องไปคาอะไรเวลาเวลาพูดโทก็พูดโทไปอย่างเดียวเหมือนกับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดไม่เกิดไม่สนใจขอให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองคําถามจากคุณซื่อโชว์นะครับการกวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจําเป็นไหมครับต้องกวดน้ําลงดินทุกครั้งหรือแค่สวดบทแผ่เมตตาเท่านั้นครับคือการกวดน้นํานี่ความจริงไม่ต้องใช้น้ําหรอก เพรสิ่งที่เรากรวดไม่ใช่น้ําสิ่งที่เรากรวดก็คือบุญบุญที่เกิดจากการทําทานนี้พอเราทําบุญแล้วเราก็มีบุญในใจเราเราก็อุทิศบุญนี้ด้วยการใช้คําลําลึกภายในใจข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนนี้ที่ได้ทําในวันนี้ให้แก่นายกรนายขอไป<ม>ก็ถึงแล้วส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนี่อีกเรื่องหนึ่งพวกที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราอุทิศให้เขาน้อยเขาไม่พอใจเขาก็ยังไม่ให้อภัยเราอยู่ดี เหมือนกับเราไปทำใครเสียหายแล้วเขามาเรียกค่าเสียหายว่าต้องจ่ายเกาแค่นี้เขาถึงจะยอมถ้าไม่จ่ายแค่นี้เขาก็จะเอาความเราเนี่ยใช่ไหมงั้นอยู่ที่ว่าเราเร า, เราจะจ่ายให้เขาพอรือไหมถ้าไม่พอเข า, ยากยังเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราอยู่แต่ถ้าเราจ่ายให้เขามากพอเขาพอใจเขาก็แฮปปี้เขาก็เลิกลาไป <laughs> คำถามจากคุณอังคูณนะครับ ข้อที่หนึ่งการเจริญสติตั้งแต่ตื่นนอนเช่นการกำหนดพุดโทโธควรระลึกพุโทโธไว้ที่ส่วนใดของร่างกายจึงจะสามารถทำให้เรามีสติต่อเนื่องครับก็อยู่ที่พุโทโธและพุโทโธคือความคิดใกลคิดอยู่แต่พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปอยู่ที่ส่วนไหนให้อยู่ที่คำว่าพุโทโธนั่นแหละให้รู้ว่าเรากำลังพุโทโธพุโทโธอยู่ในขณะที่เราทำอะไรเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราทำงานอยู่ แล้วใจใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายข้อที่สองเวลาทํางานเช่นเขียนหนังสือสามารถบริกา ร, รพูดโทธพร้อมกันไปด้วยได้หรือไม่ครับถ้าต้องทํางานต้องใช้ความคิดก็ต้องให้อยู่ที่งานที่กาลังทํำอยู่อย่าไปพูดโธเดี๋ยวเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขียนเป็นพูดโธไปหมดขับรถเวลาขับรถก็ต้องอยู่ที่ขับรถแต่ถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พูดโธดึงกลับมาได้ หรือให้มันกลับมาให้อยู่ที่การขับรถไม่ใช่อยู่แต่ที่พุทโธแล้วไม่สนใจว่ารถวิ่งไปชนอะไรหรือเปล่าคำถามจากคุณบัญชานะครับเวลานั่งฟังเทศและปฏิบัติจะเกิดเหน็บชาที่ขา บ, าบ่อยๆครับปกติผมนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมง <c oughs> และจะเดินจงกรมต่อแต่พอลุกปุก๊บขาก็จะเดินไม่ได้ครับรู้สึกบวมต้องร้อย ห, หายชาถึงเดินไปต่อครับมีวิธีแก้ไขอย่างไร ก็เป็นธรรมดาของร่างกายเวลาเรานั่งแล้วเราไปขัดทําให้การไหลเวียนของเลือดลมมันไม่สะดวกมันก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บชาขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนระยาบทถ้ามันเจ็บชาเราก็ขยับเปลี่ยนเปลี่ยนระยาบทไปคําถามจากคุณทเดชนะครับในขั้นสมาถะนี่เรายังไม่ควรเดินไปทางปัญญาใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะเวลาพิจารณากายแล้วมันไม่ชัดเจน <c oughs> อย่างเช่น แยกธาตุขันหรือถลกหนังยังไม่เสร็จเลยก็คิดไปทางอื่นอีกแล้วถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมันจะไม่ชอบพิจารณาให้ใจพิจารณาทางธรรมมันจะชอบดึงให้เราไปพิจารณาทางโลกกันให้เราไปคิดถึงข น, นมนมเลยให้เราไปคิดถึงละครอะไรต่างๆถ้าใจสงบแล้วนี่เราสามารถที่จะสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมได้แต่มันก็จะมีกาลังตามกาลังของสมาธิ นาทีพิจารณาได้สักห้านาทีสิบนาทีมันหมดกําลังเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นต่อไปหารูปเสีฤฤยงกลิ่นรสเนื่องจากถ้าสมาธิเรามีน้อยเราก็จะพิจารณาปัญญาได้น้อยมันก็จะไม่เห็นชัดมันก็จะจําไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมากเราก็จะพิจารณาได้นานได้บ่อยแล้วก็ทําให้เราเห็นชัดจะทําให้เราจําได้ในการพิจารณานี้เพื่อให้เราจดให้จําไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเช่นความตายเนี่ยเราลืมมันเรื่อย พอไม่คิดถึงมันก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะตายกันละเราคิดว่าเราจะอยู่กันไปแล้วก็มาวิตกกังวลว่าจะอยู่กันยังไ ง, ง, งอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราคิดถึงความตายได้แล้วก็หายวุ่นวายไปวิตกทําไมอย่างมากก็แค่ตายใช่ไหมเห็น tilted. นี่แหละถ้าเราคิดถึงความตายได้อย่างที่พระเจ้าสอนพระอานนท์ได้เราจะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเลยพระเจ้าสอนอนนท์ว่าเธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเราเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วเธอจะไม่ประมาทแล้วเธอจะสบายเพรา ะ, ะเธอจะไม่กลัวอะไรเพราะอย่างมากก็แค่ตายคำถามจะคุณมกคานะครับในขณะที่เริ่มภาวนาช่วงแรกๆมันจะฟุ้งสักพักแล้วมันจะนิ่งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งปกติหรือไม่ครับเริ่มต้นมันก็ต้องฟุ้งก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมใจไว้ พอเรามานั่งสมาธิเราก็ใช้สติกํากับควบคุมให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปความฟุ้งมันก็จะหายไปความสงบมันก็จะกลับเข้ามาเกินที่เข้ามาคําถามจากคุณทิดาพันธ์นะครับการใส่บาตรพระตอนรับพรเราควรนั่งหรือยืนรับพรคะในกรณีที่พระสงฆ์ท่านยืนเคยอ่านใจว่าเราควรยืนรับพรเพราะถ้าท่านยืนแล้วเรานั่งท่านจะต้องอาบัตจริงหรือไม่ ความจริงไม่ควรที่จะรับพรตอนรับบิณฑบาตไม่ใช่เวลาบตามธรรมดาก็ไม่มีการให้พรกันหรอกเพราะวันไม่มีเวลาถ้าเกิดคนร้อยคนขอรับพรก่อนจะเสร็จก็เที่ยงพอดีไม่ถึงไม่มีเวลากลับมาฉันที่วัดดังนั้นเวลาพระที่ท่านบิณฑบาตจริงๆถ้าไม่ได้ให้พรกันเลยก็ไม่ต้องให้พรเพราะว่าพรมันเกิดขึ้นแล้วจากการกระทําของเรามันไม่ได้เกิดจากลมปากของพระอายุวันโนสุขังพลัง ถ้าไม่ได้ทําบุญมันก็ไม่มีวันเกิดหรอกแต่ถ้าทําบุญแล้วไม่ต้องว่านิอายุวันุสุขังพลังมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นการให้พรนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่จําเป็นการให้พรจริงๆก็ไม่ได้เป็นพรเข้าใจไหมเป็นคําสอนว่าถ้าเธอทําอย่างนี้แล้วเธอก็จะได้รับผลอย่างนี้ถ้าเธอทําบุญใส่บาตร ท, ทาทานอย่างเงี้ยชีวิตของเธอก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละนี่คือคําสอนไม่ได้เป็น พรให้กันไม่ได้อะไรนะพรต้องสร้างกันขึ้นมาเองสร้างด้วยการกระทําเช่นใส่บาตนี่ก็เป็นการสร้างพรขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ใส่บาตแล้วเอาเปิดเทปของพระให้พรไปฟังไว้ทั้งวันมันก็ไม่ได้พร่ะบางคนชอบฟังการให้พรคิดว่าฟังบ่อยๆแล้วจะได้พรเยอะก็เลยอัดไปอัดเทปของครูบาอาจารย์ตอนให้พร <c oughs> แล้วก็มาเปิด <c oughs> มันไม่ได้หรอกพอรไม่ได้เกิดจากการให้ พรนี้เกิดจากการกระทําความดีของเราคําถามจากคุณป๊อปป๊ปนะครับทําที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นคําที่ประเสริฐแล้วแล้วเหตุใดจึงต้องมีพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่อีกครับผมเข้าใจว่าต้องอยู่กับปัจจุบันแต่เขาอดสงสัยไม่ได้เพราะมันหายไปได้ทําที่พระเจ้าสอนเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีใครมาเรียนเมื่อไม่มีใครมาเรียนก็ไม่มีใครที่จะมาสอนต่อได้ พอไม่มีใครมาเรียนไม่มีใครสอนมันก็ไม่มีใครรู้จักต่อไปเด็กรุ่นหลังที่มาเกิดในข่าวหน้าก็จะไม่รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสั่งสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพนนะ็ญหาหาธรรมะก็ไม่มีใครรู้ธรรมะแล้วสมัยนั้นไปศึกษากับใครที่ไหนเขาก็ไม่รู้อริยสัจสี่เขาก็ไม่รู้จักนิพพานว่าเป็นอย่างไรท่านเลยต้องหาเอง พอท่านหาได้แล้วท่านก็มาบอกคนอื่นก็เลยมีคำคำสอนมาแต่คำสอนนี้ต่อไปก็จะหายไปเพราะคนที่จะสนใจมาศึกษามาลร่มเรียนมาปฏิบัติมันน้อยลงไปทุกวันคิดดูคนในคนไทยนี่เป็นชาวพุทธอยู่ต้องเจ็ดสิบล้านคนนะั่งแล้วมาศึกษามาปฏิบัติกันสักกี่ล้านมาบวชกันได้สักกี่คนบวชแล้วปฏิบัติกันจริงๆได้สักกี่คนนตอนนี้เมืองไทยมีภากี่รูปสองแสนนะ แลเป็นพระที่ปฏิบัติอยู่ในปา่าในเขายิ่งสักกี่รูกน้อยมากคําสอนมันก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะหนึ่งคนสอนก็ไม่มีคนเรียนก็ไม่สนใจจะเรียนต่อไปมันก็ไม่มีใครเรียนก็ไม่มีใครรู้อีกสักร้อยปีสองร้อยปีหรือพันปีนี่จะไม่มีใครรู้เรื่องคําสอนแล้วขณะตอนนี้มีคําสอนยังไม่รู้เรื่องกันเลยต้องมาฟังอยู่เรื่อยเพราะคําสอนนี่มันเข้าใจยาก คำถามข้อต่อไปจากคุณชื่อโซ่นะครับอยากทราบว่าคําทํานายดวงชะตาชีวิตของคนเรามีส่วนที่ทําให้เราต้องเชื่อไหมครับหรือทําอย่างไรจะทําให้เรามีกําลังใจจากการดําเนินชีวิตมากที่สุดการทํานายนี้มันมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้อนาคตของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อนาคตของเราเกิดจากการการะทําของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราปลูกข้าววันนี้เดี๋ยวสามเดือนเราก็จะได้ข้าว เรปลูกกล้วยวันนี้เดี๋ยวอกไม่กี่เดือนเราก็จะได้กล้วยนี่มันอยู่ที่เหตุเหตุก็คือปัจจุบันการกระทำของเราในปัจจุบันนี้จะทําให้มีผลเกิดขึ้นในอนาคตอนาคตนี้อาจจะสั้นอาจจะยาวก็ได้ทําปุ๊บได้ปั๊บเลยก็มีพอทําบุญปั๊บมีความสุขใจขึ้นมาเลยก็ได้ทันทีอนี่เวลามันจะหมดแล้วนะใช่คำของ อ, อ, อีกคําถามเดียวแล้วกันครับอาจารย์ อ, ะอะจะ จะคุณ ส, สุภาพันธ์นะครับเวลาเรานั่งปกติโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรดึงระหว่างคิ้วแบบนี้เรียกอะไรคะและต้องทำยังไงอ๋อเป็นอาการของจิตน่ยที่มันเวลาพอจะมานั่งสมาธินี่มันจะมียึกยักยึกยั ก, ย ก, ยกเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็มไม่ต้องไปสนใจมันให้เราอยู่กับการภาวนาะของเราไปเดี๋ยวพอใจเราเข้าสู่ความสงบแล้วอาการต่างๆมันก็จะหายไป อาจารย์อีกสักข้อก็ได้ครับพ่อสุดท้ายแล้วครับจะคุณนิตยานะครับทํายังไงจะตัดใจจากการห่วงลูก่วงหลานได้เจ้าค่ะก็ต้องพิจารณานี่จังบ่อยๆว่าชีวิตของพเราทุกคนนี้ต้องสู่ความตายกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วเราไม่จากเขาก็ต้องจากเราให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะยอมรับกับความจริงนี้ได้ก็จะไม่ห่วงมากหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับอาจารย์โอเค อย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพยายามรักษาจินห้าไปก่อนนะคุณพัยแล้วต่อไปก็จะได้เองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปข้าคุยษ า, าไปวันนั้นไปตั้งแต่ป่าไม่เคย ก็สบายอ่ะอาจารย์ยอมรับเ็จเราก็ชองสบายหน่อยใช่ไหมเปอนเราเ อ, า <c oughs> องดีกี่แหลกอ น, นุญาตตัดสัญญาเลยนะครับ